ต่อจากนี้เรื่องเข้าถึงยอด 13 พฤศจิกายน 2526ณพุทธสถานปฐมโศกสาธุรณ ในวันนี้ก็ลองตั้งใจฟังดูจะอธิบายการขอถึงหรือ ลึกซึ้งเข้าไปอีกลองดูนะก็คงฟัง พยายามไล่เรียนกันเข้าไปอีกนะคําว่าพุทธธรรมะ พิสูจน์นะพิสูจน์พุทธธรรมที่เรียกว่าพุทธะก็มีลักษณะนะท่านก็ รู้ความจริงของทุกข์ของสมุทัยของนิโรธของมรรควิธีที่ได้ปฏิบัติตื่นคือไม่ตื่นก็คือมันตรงกันข้ามกันๆที่เค้า ยังคลําคลํากันยังไม่ได้ทะลุทะลวงไม่ได้แจ้งเกลี้ยงสิ้นไม่หมดรอบไม่ จุดลับอีกไม่ต้องมีอะไรที่ยังจะต้องซึมๆ นะสภาพความหมายพวกนี้เป็นความหมายที่ไม่ใช่ความหมายตื้นสภาพด้วยเต็มเห็นชัดเลยว่าตื่น เป็นผู้อาหารจานชัยเกล้ากล้าอ่าสามารถประจนต์สามารถประจันแล้ว แล้วเราก็ปล่อยวางได้เต็มที่แล้วจบเป็นผู้รู้รู้ของตนรู้ ไม่ใช่เป้าหมายที่สําคัญที่ศาสนากําหนดไว้ศาสนากําหนดไว้เป้าหมายของมันคือทุกข์หมดหมด จึงไม่เป็นผู้ได้หลบละไม่กลัวเกรงอ่ะในโลกนี้จะมีอะไรๆที่คนไม่ได้น้อยหน้าใครไปน้อย เบิกบานตื่นแล้วก็เบิกบานเหมือนก็อะไรตะในเหมือนก็ดอกไม้มันบานนะเบิก รู้จักดอกบานบ่เหี่ยวมั้ยฮะเออดอกบานไม่รู้รอยบานบ่เหี่ยวอ่าดอกบานอ่าภาษา เหมือนเพราะมันรู้เต็มแจ่มเพราะมันครบแล้วเพราะมันรู้เต็มเพราะ มารสนะยังลบๆเรี่ยงๆยังลิกๆลีๆไม่กล้าประจนไม่กล้าประจันถ้าไม่กล้าประจนประจันก็เรียก noi na mai mi manna mai mi pom doi kha ja bok wa ai noi nai ni mai ru ko mai ru อถางดับทางทําให้กิเลสมันหายไปก็มีทางปฏิบัติจนหมดจนเกลี้ยงด้วยเป็นคนครบจริง จะก็รู้ได้อีกอะไรก็เค้าว่าเป็นคลื่นหลังก็รู้ได้อีกจะ 4 นะควรรู้ควรทําเพราะฉะนั้นผู้รู้รู้เต็ม อ่าถ้าฟังก็ฟังมากันคนละ 2 หูแล้ว ธรรมะปฏิบัตินี่เราจะรู้แล้วแต่ก่อนนี่เราก็เรียนอริยสัจโต ก็เราก็ไม่รู้ขั้นไม่รู้ตอนน่ะจนกระทั่งรู้ขั้นรู้ตอนเลิกมาขั้นต่ําขั้นหยาบจนกระทั่งมาเพราะมันไม่ใช่สุขนะสุขกล๊กโลกน่ะบอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่นับว่าเป็น มันยังไม่สุขนะมันไปหลงแต่แม่แต่อบายมุขกว่าสุขนี่อัยามันมีใคร เสียเวลาเวลาเสียจบเปล่านะตัดทิ้งได้เลยเลย ไปหลงว่ามันสุขที่แท้มันตัวทุกข์แล้วมันก็เหกแห่งทุกข์ของมันก็พอไปหลงว่า จึงเป็นฐานนิพพานอทุกขมสุขอุเบกขาฐานหรืออทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์นี้เราจึงไม่ไป คนไม่ไปติดอบายมุขจริงๆนะเพราะฉะนั้นอันนั้นเราถึงแล้ว ถ้ามาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเข้าถึงตรงนี้แต่เข้าถึง ขลายบอกว่าชั้นต่ําชั้นอบายชั้นกลางขึ้นมาเป็นชั้นโลกธรรมเป็นชั้นกามอะไรก็คอยคอย เพราะเมื่อสิฟังให้เป็นฟังและโอ้มีความเชื่อถือศรัทธา คนเรามักเป่งกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิเฉยๆเนี่ยไปร้องขอกันอยู่ จะจะขอเลยกลายเป็นลัทธิขี้ขอขอก็จะพุทธะพุทธวันยังขอต่อหน้าพระพุทธรูปๆเค้าไม่รู้ ขอขอขอจนกระทั่งพอมามีความรู้ว่าท่านเป่งกล่าวได้ขอเข้าถึงนะขอถึงนะเป็นที่พึ่งสรณัพแปลว่าที่พึ่งขอถึงพระเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งนะแต่เราถึงมาขอพระสงฆ์อาราธินี้จะไล่ตัวเข้าถึงอธิบายตัว เติบบวบบ้านแจ่มใสพอคร่าวๆแล้วนะว่ารู้แล้วเอาไปทําจนกระทั่งเราเข้าถึงเต็มตื่นเต็มตื่นเต็มๆบางอย่างเราแต่เราได้รู้สิ่งที่รู้ อาหันต์เจ้าจึงจนเป็นที่พึ่งคนบานๆอย่ามาเป่งนะเป่งขอ เปล่งขอว่าขอถึงขอถึงฉันขอถึงขัจฉามิขอถึงอะไรขอถึงอันนั้น ได้รับอริยคุณได้รับของพิเศษได้รับสิ่งพิเศษรับสิ่งประเสริฐเมื่อพระ ท่านก็อามสอนพอเริ่มสอนก็เป็นพระตามพอคนปฏิบัติตามพอคนปฏิบัติตามคนก็ได้ อัตตามาอธิบายหางแล้วก็อธิบายหัวมันก็เลยปนกันหน่อยพระพุทธเจ้าไปผลถึงก่อนเป็นคนมี 4 คือธรรมะที่เป็นยอดแห่ง บางศาสดาไม่ถึงสุดยอดเราว่าเช่นนั้นนะจะว่าขมก็ขมเราว่าพระพุทธเจ้าได้ถึงสิ่งสุดยอดจะบอกว่าเขาถึงพระเจ้าพระเจ้าเราทนท้อเลยเห็นแท้เลย ที่ได้เอามาอธิบายมาแล้วซ้ําๆนะ คำรู้ตามของพระเจ้าเอามาพิสูจน์รู้ตามรู้แล้วก็เอามาๆนะไปอาตมาเข้าถึงขอถึงแล้วก็เข้า พวกคุณก็พยายามจะต่อมาด้วยต่อๆๆๆกันมาเลยวนผู้ใดก็ได้ไป เป็นอนุพุทธะเป็นพุทธะตามพระพุทธเจ้าไม่จะกระทั่งเป็นเจ้า ก็ไปปฏิบัติเป็นภาวนามยปัญญาเป็นมรรคละมาอย่างที่อะไรมายกตัวอย่างอบายมุขทุกข์ตัวกามแม้กระทั่งอัตตาพอได้ตามมามั้งคุณ เข้าก่อนได้ก่อนเอามาสอนตามามาท้ายมาพิสุทธิ์ ทำได้มันอันไหนบรรลุสมบูรณ์ก็เป็นอันเกเสมอัน มีอยู่ในโลกนี้แหละเราผัดสะมัน น่ะไม่มีอะไรหม่องอะไรมัวกระเสมอยู่ไม่มีการหลงเค้า คุณได้ความไม่ติดความหลุดพ้นสิ่งอย่างนั้นแล้วแต่ สังเกิดก็มันอยู่นั้นเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดสุขเกิดทุกข์พอเราตัด เราได้พึ่งความไม่อ่าหาอะไรก็ไม่รู้ไอ้เค้าไม่ไอ้ไม่น่าไปติดก็ไปๆหลังๆออกไปติดมาได้ แล้วเราก็ไปหลงจนกระทั่งเรามาดับได้ถึงเห็นว่าโอ้ อ่าสารณัตติพึ่งนี่แปลกนะสารณัตติพึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่แปลกให้พึ่งสุญญตาให้พึ่ง ยิ่งเป็นอกุศลเรียนรู้ก่อนว่าเป็นอกุศลแล้วก็ล้างละจนกระทั่ง ทรงสภาพโลกอย่างเงี้ยแต่เราก็อยู่เหนือโลกเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นโลกิยะเราก็เป็นโลกุตระ ธรรมะมันก็เกิดอยู่ในโลกเนี่ยมันก็มีอยู่ในจิตโลกุตระธรรมผู้บรรลุแล้ว มันยังไม่ดับมันก็มีอยู่เหนือเห็นเลยว่าท่านเหนือมันเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าผู้ดีแล้วที่ๆภาษาไทยๆลึก พระองค์ที่จะเข้าถึงความจริงอันจนกระทั่งมาเห็นที่พึ่งจนกระทั่งมามั่นใจว่าเป็นที่พึ่งไม่ เอาละจะยกตัวอย่างสูงๆขึ้นจะได้ของสวยของงามได้อร่อยขึ้นเอาจะแค่อาบัยมุกกินน้ํามันซ้ําๆต้องได้เงินได้ทองได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญเข้ามาชมเชยถึงจะต้องบานถ้าเค้าไม่สรรเสริญแล้วก็เหี่ยวเฉยมอยหน้ามึงนําโบดพอ เจ้าว่าแต่เค้ามาชมเค้ามาชมคอยบานเลยเค้ามาด่าอย่างบานเลยแต่ก็ไม่เออเค้าด่าผิด ยังไม่สะดุ้งสะเทือนกับโลกธรรมแต่เป็นผู้เบิกบานอยู่สบายไม่เออโลกนี้มันไม่ ร่างกายมันซูบซีดหลวงก็รู้ความจริงกันก็แน่นอนสิว่าเกลี้ยงไว้แต่ข้าวสุกขนมสดไม่ แล้วมันจะไปตายอะไรจะไปเหี่ยวอะไรมันจะไปตายอะไรเราไม่เอาของเราแล้ว แม้ว่ามันมีเนี่ยเค้ายังแบ่งให้เรากินก่อนให้เราได้มากกว่านะเพราะเค้าเห็นว่าเรามีค่ากว่าอย่างนี้ก็ยังพิสูจน์ได้เลยมันยิ่งเห็นน้ําใจแล้วโอ้ เขาแต่ถ้าอีกเราตายเค้ายังไม่มีประโยชน์ต่อโลกมีได้จริง เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราอินทรีย์พละแข็งกว่ากล้ากว่าว่าเอาเถอะต่างคนก็อยู่ด้วยกันสลับกันผู้นั้นยิ่งมีน้ำใจสูงเราก็เอ้าเค้าให้เรากินเราก็ให้เค้าคืนไปเค้าก็กินเถอะเค้าก็อยู่เถอะอ่าก็ยิ่งซ้อนลึกเพ คนดีก็ดีคนดีก็ดีคนที่ก็สนับสนุนผู้ผู้ถิด ตะหวากันจริงแข็งแรงกว่าเนี่ยมันที่ลึกซึ้งซับซ้อนพวกนี้มีอยู่ได้พิสูจน์คุณธรรมได้พิสูจน์ สงฆ์เพราะเราเริ่มรู้ว่าพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเกิดได้มีจริง ไปเป็นวรรคเป็นเวรไล่มาตั้งแต่เบื้องต้นเข้าๆแล้วก็เป็นสงฆ์สาวกมาเป็นพระโสดากับเพราะเลยนะ จะมีรูปอย่างนี้มีรสอย่างนี้มีกลิ่นอย่าง จวัฬลาภมันก็มีจวัยวศก็มีจวักกลิ่นรูปมันก็มีอยู่ในอนาคาเข้าเป็นสงฆ์สาวกเข้า อาจอาหารฉันกล้ายืนหยัดยืนยันไม่แปรปรวนมั่นใจยืนยันได้อ่ะวันจริงๆอาตมาเห็นอย่างนั้นน่ะมั่น แม้แต่เรื่องลาภเรื่องยศนะก็เชื่อว่าพวกคุณจะเชื่อมั่นว่าอาตมาไม่หลงไหลอะไรก็ไม่ มีคนมาทําบุญบอกแล้วว่า จะได้เงินมาหรือไม่ได้เงินอาตมาไม่มีตามบุญบารมีวาสนาได้มาแล้วก็ได้อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งอยู่ ทีนี้เราได้กินข้าวเขาแล้วทีนี้เราได้กินข้าวเขาแล้วเรายังชีวิตๆอยู่ไปขี้ไป วินัยพระพุทธเจ้านี่ท่านมัดมายมัดมือนะให้ไปผูกไม่ เราเชื่อแน่ว่าคุณความดีของเรานี่มีค่ามากกว่าข้าวมากกว่า ตามมาตามณีเป็นลัทธิพุทธเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าท่านออกวินัยว่าพระอย่าไป เหตุแห่งการที่จะจะห้ามไม่ให้ขุดท่านป้องกันเพราะอันนี้เป็นมนุษยยสัมพันธ์ซึ่งอาตมาเคยบอกว่าเป็นมนุษยพันธฤ นะเป็นคุณธรรมนะกตัญญูกตเวทีเกื้อกูล มีคุณธรรมเป็นที่พึงต่อต่อไปอีกจากที่ท่านได้รับพระพุทธเจ้าตรัสธรรมราตะปรามิมีวิธีพึงไม่มีญาติโกโยทิกา มันกลับตะละปัดไปหมดเลยเออใครจะรับเป็นอุปัชฌาย์ให้ราธพรามบ้างพระพุทธเจ้าถามจัดถามพระสารีบุตรว่าข้าพเจ้าระลึกได้ว่าราธพรามนี่เคยใส่บาตรให้ข้าพเจ้าหนึ่งทัพพีข้าพเจ้าขอ ให้เค้ามีที่พึ่งมันก็เสริมเป็นหน้าที่เขาไปแย่งลาภยิ่ง แล้วยังสร้างสรรค์ในคนอื่นเค้าอีกเอื้อเฟือเสียสละอีกนี่นี่สิยากกว่า อัตมาได้งานที่ดีแล้วได้งานที่ดีแล้วนี่เป็นงานวิเศษได้ใหญ่ๆโตๆก็ไม่ว่าอาตมาก็ไม่เอาใครจะมาชี้ว่าอะไรหมาเห็ดองุ่นเปรี้ยวเขาว่าแล้วยังไม่ได้ๆเขา เอ่อเราไม่เคยเป็นเศรษฐีร้อยล้านแล้วก็บอกร้อยล้านมันเหนื่อยมันหนักอ่ามันทุกข์เค้าก็ว่าประชชประชานเราได้ก็ไม่เป็น ขายทอดธรรมะธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก่อนพระพุทธเจ้าก็สอนจนมีสงฆ์สาวกอาตมาก็ไปสงฆ์สาวกตามก็ได้พุทธธรรมเป็น ใจคุณเห็นจริงศรัทธาเลื่อมใสมั่นใจแล้วก็มามาเอาจนได้แล้วมาเอากันกันเราก็ได้ของพระพุทธเจ้าพาเราได้แล้วเราเอา โอ้นี่น่ะล้างสมองเสร็จหมดเลยเดี๋ยวจะเอา เสร็จแล้วมาถึงพระพุทธเจ้าลมหมดอาตมาก็เห็นว่าโอ้ไอ้นิ่มเบากว่าฮะสบายกว่าฮะ มันยิ่งก็สุขยิ่งกว่าสุขมันสงบมันนิ่งแล้วไม่สุขไม่ทุกข์แล้วนิ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ตื่นๆขืนๆ อธิบายมันก็จะง่ายๆเงี้ยแต่เวลามาเอาเข้าจริงกว่าคุณเออเอาๆเอนี่เออแล้วจะมา เขาเอาอนี้เราไม่ยึดไม่ติดไม่เอาไอ้นี่เราไม่ยึดไม่ติดไม่เอาจะมาพึ่งอันไม่ศูนย์เนี่ยพูดซ้ําพูดซากวบไปวน ดูดเป็นตัวอย่างตั้ง อาการนี้เป็นสรณะที่พึ่งนี่เราเรียกดับไม่ศูนย์เนี่ยพูดซ้ําพูดซากบกไป เห็นจริงว่าเอออันนี้แหละเราเอาแน่นะเอาแน่ๆลดรูปลดเสียงมาอีกเลิกกามเลิกโลกธรรมสอน อ่าเค้าไม่เคารพนับถือก็แหมเดี๋ยวนี้ไม่เคารพนับถือแล้วนะอ่าเราเป็นอาจารย์ดูซินี่ มันไม่นับถือเลยแล้วนะมันทําๆก็จะรู้สึกมากเราไม่ได้อยากๆได้อะไรก็ไม่ เขาทําอย่างงั้นอย่างงี้ดูถูกลูกแคลนมั่งไม่ให้เกียรติมั่งอะไรมั่งยิ่งเข้าไปเป็นดอกแล้วไม่เคารพเรามันอยู่ในใจเนี่ยเอ่อแม้นักยิ่งเข้ามาเป็น มันเป็นอัตตามันเป็นนามธรรมมันเป็นอะไรเราถือเรายึดนะๆนานานะมันรู้สึกเป็นรสเป็นชาติเป็นอะไรเราต้องมาล้างๆหมด ลูกจักประฤติกตัญญูกระทาเวทีอะไรได้เล็กน้อยนะ เพราะฉะนั้นเค้าได้จากอาตมาไปยิ่งก็ยอดเพชร เขากำหมดอาตมามันค่าสูงกว่าอีกกี่เท่าคิดดูสิถ้าอาตมายังไม่วางสิ่งเหล่านี้นะ<อ> ถ้าเราไม่วางอย่างนี้มันจะขนาดไหนไม่วางอย่างนี้มันจะขนาดไหนเอาล่ะยกตัวอย่างให้ชัดขึ้นไปอีก เราจะปกครองแทนเองท่านแก่เฒ่าแล้วท่านหยุดนะเอ่อวัดเทวทัตตั้งก๊กจะตั้งก๊กตั้งเราจะขึ้นบริหารแทนเหมือน <c oughs> อริยะเจ้าองค์อื่นถ้าเราถือว่าเราเป็นอริยะด้วยเทวทัตจริงน่ะหลงก็ทําไปสิแต่ไม่อย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณเจ็บปวดคิด เรานี่จริงโดยสัจจะความจริงมันเป็นคุณ อัตตาก็แปลว่ามันยึดจุเป็นตนต้องวางต้องปล่อยปล่อยจนกระทั่งไม่มียิ่งกว่าเองนะทีนี้ไอ้อย่างนั้นมันเป็นการตอบ ติดความดีอยู่ความดีอยู่นะพระโพธิสัตว์นี่ติดความดีอยู่แล้วต้องตามความๆๆๆๆก็ไล่ ไม่เรียกว่าติดทีเดียวอย่างพระโพธิสัตว์ใช้แต่ก็ยังไม่ทิ้งนะยัง อะไรจะได้มากขึ้นก็เป็นประโยชน์ จนสําเร็จเลยครบครรมีศาสนามีพระธรรมอันมั่นคงมีพุทธครบเราพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของ ทายทอดเป็นมรดกตกทอดที่จะไปนานอีกกี่ปี แต่อย่างงี้ใครก็ปล้นไม่ได้เค้าก็จี้ไม่ได้จัดเหยื่อไทยไปซ้ําไปไม่มีใครจะเอาเลยอ่า แล้วคุณที่มาเอาคุณก็รู้เนาะว่าเป็นสมบัติที่น่าได้น่ามีน่าเป็นยิ่งกว่าไอ้ทรัพย์สินเงินทองๆนะมันๆแต่มันก็ยังอย่างนี้ๆนะว่ามัน ไม่ต้องประหยัดเยอะเค้าลอกทําลนนิดหน่อยก็ตามไปอีกสักก้าวเอ้าอะไรอย่างงั้นเอาให้ก็ยังไม่เอายัด เป็นสรณะเป็นที่พึ่งคุณเชื่อมั้ยว่าพึ่งได้โอ้โหอาตมาพูดเองก็เมื่อยแล้วนะคุณฟังไหวมั้ยฟังฟัง อ่าทีเนี้ยเราก็มาพึ่งอย่างนี้อ่ะพึ่งความไม่มีไม่หลงแบบโลกเค้าเลยโลกเค้าหลงเค้าพึ่งเนี่ยมาพึ่งสิ่งที่โลกเค้า มาเข้าถึงได้จริงๆจนกระทั่งมั่นใจว่าเป็นที่พึ่งแล้วคุณก็ๆเรื่อยๆเรื่อยยิ่งมั่นใจยิ่งโอ้โหอย่าว่า ไม่คลนไม่แคลนยิ่งยิ่งชัดยิ่งเจนยิ่งจริงยิ่งจังเออมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงนะไม่น่าได้มีอย่างที่ไหนเป็น 00 เออฟังแล้วมันก็ถ้าเผื่อ มันในความหมายแค่พุทธังธัมมังสังฆังที่เป็นสรณะที่เป็นสิ่งเข้าถึงนี่แหละมาขอถึงนี่แหละคัจฉามิมาขอถึงเข้าถึงกับปันตะสกิทาก็ปันนะ มันในองค์ประกอบที่เป็นพละความจิ้มความหมายถึงแล้วตอนนี้ใช้ ปดปลายหมดเลยไม่มีอัตตาไม่มีกามไม่มีโลกธรรมไม่มีอบายมุขไม่มีอะไรเลยแต่เรามีอย่างยิ่งมีที่พึ่งอันเกษมมีศูนย์อยู่เค้าโลกเค้าอย่างรู้โลกเค้าตื่น เออคนนี้เค้าก็ยังพึ่งอันนั้นเค้ายังพึ่งอันนี้ ยิ่งมีรายละเอียดมีของจริงมากๆๆมันยิ่งเข้าๆมันยิ่งจะรู้ๆๆเห็นแล้วก็อืม พิสูจน์ธรรมะสัจจะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นคนๆมาหรือไม่จริงๆน่ะคนยิ่งไม่สะสมมันยิ่งง่ายกว่าอ่าทําให้เข้าเอออยากเป็นมี โอจริงด้วยนั้นจะไปแย่งชิงเงินพันเงินหมื่นเงินแสน อกิขาเค้าก็เปลี่ยนแล้วมันสิ้นสุดทีอ่าถ้าเรามาสมบูรณ์แล้วมา นั่นแหละนี่อย่างบภยบาทอาฆาตเนี่ยวนเวียนวนเวียนโหก้นผิดก็อยู่งั้นน่ะรวยแล้วก็จนๆแล้วก็รวยเป็นนายถ้าจบ ก็ไอ้เท่านี้เองบนๆดิอาตมาสรุปน้อยๆว่าอาตมาพูดนี่พวกคุณเข้าใจนะครูทีนี้มาตั้งใจล้างกว่าจะ พอพูดความสูญแล้วก็หน้าตกใจแต่ถ้าบอกว่าไม่ให้คนตกใจตื่นเต้นแต่ ยิ่งไปว่าจะตายดิมันเอาง่ายๆนะมันชนกันด้วยภาษาก็ชนถ้าไม่มีสภาวะรองจริงๆเป็นอนุสํปันธ์ แต่ประสัมพันพอพูดกันได้ความวั่งอ่าก็อธิบายแนวเข้าไปให้ลึกให้เห็นจริงว่าเรามานี่ติดทางป่าแต่ใครรู้ตัวแล้วว่าตายนี่ อ่ะจะไปเอานั่นน่ะจะสงบจะอยู่เมื่อกี้เนี่ยอธิบายยังเอา อยู่สงบว่างเฉยสงบจิตสงบใจสอนคนอื่นเค้าได้แล้วจิตเราก็ว่างวางนี่ละเอียดสอนจะมาสอน ก็เกี่ยวเป็นอัตภาพติดความสงบเออไอ้นี่แหละเป็นภูมิ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่นะก็ขอแถมสิ่งที่พูดอกินใจนิดหน่อยนิดนึงพระพุทธเจ้านี่ท่านได้อะไรแต่ใดไปแล้วไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธบริษัทมหาบริษัทชั้นซึ่งพระพุทธเจ้าทุกองค์ ยถาเพราะอะไรได้ฟังคําและเห็นจริงเพราะอะไรเพราะคนอย่างอาตมาแค่อาตมาน่ะยังเออเราก็อยู่เหนือเค้านะ พูดอย่างนี้มันเหมือนคุยตัวอวดอ้างอวดโอนะแต่อาตมาไม่ได้อวดอาตมาก็พูดถึงกาลักพูด ท่านรู้เห็นเข้าใจอย่างความจริงเห็นเลยมองสัตว์ประสัดมองมนุษยชาติมวลมนุษย์ ไอ้สังคมนั้นเมื่อนั้นเมื่อนี้ตามก็ไปรู้เห็นจริงๆจริงๆอาตมาก็ตามตามภูมิของนั้นชาตินี้ยิ่งถึงนั้นแค่นี้พระพุทธเจ้าท่านตามไปถึงชาติ แล้วมันท่านยิ่งใหญ่กว่าทุกทุกๆๆทุกชาติมาชาติมาเป็นจอมจักรพรรดิๆๆได้ อันนี้ท่านอยู่เหนือมาหมดจนกระทั่ง มันจะไปขอต่อพระพุทธเจ้าถึงนะท่านนั้นจึงเห็นจริงๆนี้ก็ได้และในยุคการ จะมีพระพุทธเจ้านี่เกิด 2 องค์ที่มีคนที่ยิ่งยอดอย่าง ท่านถึงได้กล้ากล่าวว่าไม่เป็นฐานะที่จะมีได้อฐานะไม่เป็นๆอ่ากล่าวได้อย่างนั้น นะรอเรียนซะแล้วรอเรียนพระพุทธเจ้าแล้วนะแต่อาตมารู้ตัวนะอาตมามีสตินี่ หาไม่ได้ง่ายนักหรอกนี่พูดยังไม่ได้เหงียมไม่ได้อายไม่ได้สะเทือนสถานอะไรนะแล้วก็ไม่ได้โอ้อ่า เพราะฉะนั้นอาตมาจึงเห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านจับจริงความจริงอาตมาเห็นอย่างนี้จึงได้เชื่อพระพุทธเจ้าท่านจับจริงคุณเองก็ซ้อนเพราะคุณเอง 2 มี 3 3 เราคนหนึ่งเหมือนกันนะคน จำนวนน้อยๆนี่เหมือนกันนะเพราะว่าคนมาได้นี่มันน้อยๆคนทําไม่จริงเพราะโอ้ๆอย่างในหลาย ฉันเดียวกันที่อาตมามองทะลุไกลเพราะว่าอาตมามีฐานจริงรองอะไรๆละอย่างที่อาตมาอธิบายประกอบ คุณก็จะเชื่อมั่นในผู้ที่มีสิ่งจริงที่มีรูปรอย ไม่รู้ฟังกันได้ไม่ได้ไม่รู้ฟังไปเคาะหน้าแข้งเนี่ยมันไม่เค้าจะรู้เรื่องอะไรแต่ไตมาก็ว่าไตมาก็ นั่งฟังธรรมพระอภิธรรมกับพระพุทธเจ้าอยู่ข้างภูเขาสิเนรุอ่าคุณอาจจะเป็น นั่งอยู่แท้ๆกันนั่งอยู่ด้วยกันมีสนทนานะแต่ก็ไม่รู้ได้อย่างนี้ก็เป็นภาษาธรรมะที่คุณฟังออกก็ฟังได้คุณฟังไม่ออกคุณก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ใครฟังออกก็รู้ว่าอาตมาพูดหมายถึงอะไรนะอ่าได้เทศนาสู่ฟังได้พยายามที่จะอ่าแยกแยะวิเคราะห์แล้วก็ทําให้ลึกซึ้งอะไรโดยตั้งความ ขึ้นมาเดี๋ยวว่าเราจะพยายามอธิบายถึงเรื่องการเข้าถึงการขอถึงในพระรัตนตรัยคุณก็ ก็มาฟังธรรมจากปากอัตตมาซึ่งเป็นสาวกเป็นอนุพุทธะเป็นผู้ตามพระพุทธเจ้ามาพิสูจน์สิ่งเข้าถึงสิ่งที่เป็นที่พึ่งได้ก่อนแล้วก็เอามาสอน เป็นที่พึ่งอันเกษมสิ่งที่พึ่งอันกระแสขอพึ่งอันนี้ขอเข้าถึง ศาสนาพุทธยังมีอยู่เพราะคุณไม่เป็นแต่ปากเพราะคนไม่เป็นจริงเพราะคุณขอ คุณก็จะรู้จริงอย่างแจ่มชัดหรือแม้แต่คุณได้ ก็ในเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องฐานสูงที่เราก็ยกไว้ กล่าวกันไปเป็นภาษาบาลีก็แปลกันแค่นั้นมันก็เล่นลิเกกันอื่นมีอยู่ที่คนพอ เป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นของสูงเป็นแก้วยอดที่เราแท้กบแท้สังคมที่ ค่อยๆดูสังคมคนที่มีรัตนะไตรกี่แท้นี่กันบ้างนะแล้วนอนนะอ่ะแต่